เรื่องพระเถระผู้เจริญสติด้วยการพิจารณาพยับแดดเป็นอารมณ์ดังได้สดับมาพระเทระรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานแล้วเข้าไปเจริญสมณธรรมในป่าภาคเียนแล้วพยายามแล้วก็ไม่อาจบรรลุพระอรหันต์จึงกลับมายังสำนักพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตั้งใจว่าจากทูนอารัธนาให้ตรัสพระกรรมฐานให้วิเศษ ระหว่างเดินทางแลยเห็นพยับแดดในระหว่างทางพิจารณาเจริญสติด้วยพยับแดดนั้นว่าพยับแดดนี้ตั้งขึ้นแล้วปรากฏแล้วดุดมีรูปร่างแต่ไม่ปรากฏแก่บุคคลผู้มาสู่ที่ใกล้ฉันใดแม้อัตภาพนี้ก็มีรูปร่างเหมือนอย่างนี้เพราะว่าเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปฉันนั้นครั้นต่อมาเดินแล้วเมื่อลาในหนทางอาบน้าในแม่น้อาอจิรวดี นั่งที่ร่มไม้ริมฝั่งแม่น้ำมีกระแสอันเชี่ยวเห็นฟองน้ำตั้งขึ้นด้วยกำลังแห่งน้ำกระทบกันแล้วแตกไปจึงพิจารณาเห็นว่าแม้อัตภาพนี้ก็มีรูปร่างอย่างนี้เหมือนกันเพราะเกิดขึ้นแล้วย่อมแตกสลายไปพระบรมศาสดาทรงประทับอยู่ที่พระคันทกุดีทรงทอดพระเนตรเห็นพระเทระนั้นจึงตรัสว่า ก็อย่างนั้นและภิกสุอัตภาพนี้รูปอย่างนั้นละ่ะมีอันเกิดขึ้นและแตกไปเป็นสภาพแน่แท้เหมือนกับฟองน้ำและพยับแดดภิกสุรู้แจ้งกายนี้ว่ามีฟองน้ำเป็นเครื่องเปรียบรู้ชัดกายนี้ว่ามีฟองน้ำและพยับแดดเป็นธรรมะตัดเสียซึ่งดอกไม้ของมารซิียแล้วพึงถึงสถานที่ที่มัจจุราชไม่เห็นเมื่อจบรัคถา พระเทระบรลุอรหัตผลปฏิสัมพิธา